ถึงเวลาสองหลข้พ่อบ้างละ <c oughs> ตอนนี้ทางโรงพยาบาลตํารวจนะเขาขอให้เทศเอาให้ง่ายที่สุดเลยบอกว่าเอางี้คนไหนพวกเราคนไหนไม่เคยสังซีดีหลวงพ่อเลยมีไห้ยกมือให้ดูหน่อยไม่มีเลยเนาะคนไหนยกมือให้ดูหน่อยนะหลวงพ่ออยากดูสัสดส่วน เออทีนี้ค่อยช่วหน่อยค่อยศบจริงหนะ่อยยังถ้าไม่เคยฟังนะฟังครั้งแรกอาจจะยุ่งยากจริงๆธรรมะไม่ใช่ของยากอะไรแต่ที่มันยากก็เราไม่เคยฟังอะไรมันใหม่ๆไม่เคยฟังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมันก็ดูยากไปจางนั้นแหละเห็นหัดขับรถใหม่ๆก็ยากเราขับรถเป็นแล้วก็ขับรถง่ายไม่ยากการเรียนธรรมะก็เหมือนกันเรียนทีแรกก็ยาก ถ้อดทนเอาอดทนเอาเพื่อชีวิตของเราเองศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้มันเป็นของดีของวิเศษะอยู่ประจําชาติเรามานานพวกเราก็เกิดมานานหน้าตาแต่ละคนก็เกิดมาหลายปีละนะก็ยี่สิบสามสิบปีขึ้นไปนะนือถ้าเราจนปาน่านนี้เรายังไม่รู้เลยว่ า, ราพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะมันก็ลําบากหน่อยะ ไม่ค่อยคุ้มกับการที่เราได้เกิดมาเจอศาสนาพุทธถ้าเราเป็นชาวพุทธแท้ๆเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนธรรมะเราเพื่ออะไรเพื่อปลดเรื่องใจเราออกจากความทุกข์ใจของคนในโลกเต็มไปด้วยความทุกข์สารพัดจะทุกข์ทุกเรื่องฝนตกรถติดอากาศร้อนอากาศหนาวทุกได้หมดร้อนก็ทุกหนาวก็ทุกนะรถติดก็ทุก เป็นอย่างนู้นอย่างนี้ทุกตลอดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเงินไม่พอใช้ความทุกข์เยอะเจ็บป่วยนะคนเต็มโรงพยาบาลความทุกข์มันมีสองส่วนความทุกข์ของร่างกายกับความทุกข์ของใจความทุกข์ทางร่างกายนะมันยังไงมันก็ต้องรับทุกคนเรามีร่างกายแล้วมันหนีไม่ได้แต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยถ้าเรามีสติมีปัญญาพอ พระพุทธเจ้าบอกทางให้เราไว้แล้วที่จะถอดถอนจิตใจของเราออกจากความทุกข์เป็นอยู่ที่ว่าเราจะยอมปฏิบัติตามที่ท่านบอกให้ไหมถ้าเราปฏิบัติตามที่ท่านชี้ทางไว้ให้นะมันก็ไม่ยากเกินไปที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะค่อนคลายความทุกข์ทางใจลงเป็นลําดับลําดัๆคงไม่ถึงขนาด ว่าหมดทุกข์สิ้นเชิงทางใจนะนั้นเป็นระดับพระอราหันต์ของเราไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เอาแค่ว่าไม่ทุกข์มากนะักสังเกตดูความทุกข์ทางกายนะกับความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางกายนะนานๆนนเกิดทีหนึ่งนะดูดูไม่เป็นจะเห็นว่านานๆเกิดทีหนึ่งแต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยทุกครั้งที่มีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้น อยากที่ไรก็เป็นทุกทุกทีเราสังเกต ด, ดูจริงหรือไม่จริงนะถ้าเวลาใจของเราเกิดความอยากขึ้นมาใจมันจะหิวโหวยใจมันจะทิ้นรนนะเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่มีความสุขเร่ไปนะนี้ความอยากในเป็นของที่ไม่อิ่มไม่เต็มนะอยากได้อย่างนี้พอได้มานะก็อยากได้อย่างอื่นต่อไปอีกนะอย่างทีแรกสี่น้อยนะสี่สามอย่างนะี้อยากได้สี่สี่สี่ห้าสี่ไปเรื่อยๆนะได้สี่สิบเอ็ดก็ดี เงินเดือนเท่านี้อยากได้เท่านี้เท่านี้นะเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่สมอยากความอยากของเรามันเคยหยบเคยหยบเคยหยบขึ้นไปเรื่อยๆบางคนก็มีครอบครัวมีลูกมีเมียแล้วมีหนึ่งคนก็ว่าจะดีอยู่ไปอยู่ไปแล้วอยากมีเพิ่มไปอีกนะมีเพิ่มไปคงจะมีความสุขเดี๋ยวนี้กันิยมนะมีกล้องมีกิ๊กอะไรนะสมัยหลวงพ่อหนุ่มๆไม่รู้จักคำว่ากิ๊กนะ มีแต่กุ๊กยิ๊กอะไรอย่างนั้นนะยิ๊กเฉยๆไม่มีไม่รู้จักใจมันมีแต่ความผิวโหยใจที่มีแต่ความอยากเนี่ยมันจะทําให้เราไม่มีอิสรภาพในตัวเองเราต้องดิ้นรนไปเรื่อยๆดิ้นรนสแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างมาสนองความอยากของเราโดยเฉพาะวิ่งหาเงินหาเงินหาอะไรมาคิดว่ามีเงินมากๆจะมีความสุขบางคนก็คิดว่ามีอํานาจมากๆจะมีความสุข มีทรัพย์สมบัติมากๆจะมีความสุขสมบัติมากก็คลุ้มใจนะมีเงินมากก็คลุ้มใจเหมือนกันมีอะไรมากๆคงทีก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีความสุขเสมอไปะมันรู้สึกไม่พออยู่ด้วยใจมัจะขาดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเาถ้าต้อ ง, ม า, ม, องานะมาฝึกจิตสุกใจของเรานะเราฝึกจิตสุกใจของเราทํำยังไงจิตใจเราจะพ้นจากอํานาจครอบงําของปัญหาปัญหาก็คือตัวความอยาก ปัญหามันเกิดตลอดเวลาเดี๋ยวอยากโน้นเดี๋ยวอยากนีนกน้ตลอดเวลาตั้งแต่เล็กจนโตนะจนแก่จนเฒ่าก็มีแต่ความอยากเต็มไปหมดนะถ้าอยากมาแล้วก็บางครั้งบางคราวได้อย่างที่อยากก็ดีใจมีความสุขเดี๋ยวกระดาวเดี๋ยวก็อยากอย่างอื่นอีกได้มาอีกก็มีความสุขแป๊บเดียวก็อยากอย่างอื่นอีกนะใจมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่อิ่มมันไม่เต็มตลอดเวลาทายังไง ใจเราจะรู้จักอิ่มจักเต็มรู้จักพอถ้าเราใจมันรู้จักอิ่มรู้จักเต็มรู้จักพอใจก็ไม่หิวโหวยใจก็ไม่ดิ้นรนใจมีความสุขมีความสงบอยู่ในตัวเองต่อให้โลกจะน้ําท่วมโลกนะใจเรายังไม่ทุกเลยท่วมอย่างมากก็ตายไม่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี้ของเราน้ํายังไม่ทันท่วมเราก็ทุกข์ละเราก็กงังวลร่วงหน้าอะไรต่ออะไร ้เรามาฝึกจิตฝึกใจของเรานในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธวิธีที่จะฝึกจิตฝึกใจตัวเองนะบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มีสามบทง่ายๆอันแรกเรื่องการรักษาสีอันที่สองเรื่องการฝึกจิตให้พร้อมกับการเจริญปัญญาบทเรียนบทที่สามเรียกว่าการเจริญปัญญามาเรียนรู้ให้เห็นความจริงของชีวิต ถ้าเรารู้ความจริงของชีวิตได้นะรู้ว่าชีวิตจรนะิงๆเนี่ยไม่เต็มไม่อิ่มหรอกชีวิตนี้พล่องอยู่ตลอดเวลาชีวิต uk, นี้มีแต่ความทุกข์ร่างกายนี่มีร่างกายก็มีความทุกข์มีจิตใจนะก็ไม่อิ่มไม่เต็มก็มีแต่ความทุกข์อีกถ้าใจเราเข้าใจส ต, ติปัญญาเราพอเราเห็นนะมีแต่ความทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่าเพาลิดเพลินยินดีอย่างที่เคยคิดห อ, อกถ้าเห็นได้อย่างนี้ใจจะค่อยๆวางออก แต่ก่อนจะมาวางไดนะ้ก่อนจะมาเห็นความจริงของกายของใจไดนะ้เราต้องมาฝึกตัวเองเป็นขั้นขั้นไปขั้นแรกเราฝึกไปแล้วนะฝึกไปแล้วเมื่อกี้นี้ทุกคนมาขอศีลศีลถือยากไหมถือยากนะโดยเฉพาะข้อสี่ถือยากที่สุดเลยรู้สึกไหมศีลข้อสี่มันกว้างนะไม่ใช่แค่โกหกพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดส่อเสอเียดหมายถึงพูดให้ขเขาทะเลาะกัน โย่ให้เขาตีกันเนี่ยเรียกว่าพูดส่อเสียดพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคําหยาบพูดเพ้อเจ้อคนไหนมีพูดเพ้อเจ้อบ้างมีไหมพูดเพ้อเจ้อหมายถึงพูดโดยไม่จําเป็นต้องพูดอะเข้าขายพูดเพ้อเจ้อไปหมดไม่จําเป็นเราพูดไปเรื่อยๆนะการรักษาศีนจะรักษาได้ง่ายขึ้นถ้าเรารักษาใจคนทําผิดศีนได้นะเพราะกิเลสมันเข้ามาที่ใจ ก่อนจะอยากเมารู้สึกไหมมันต้องขันที่ใจก่อนใจจะขันก่อนใครเคยรู้สึกขันในใจบ้างเคยรู้สึกไหมเวลาอยากนินทาคนอื่นรู้สึกไหมมันขันรู้สึกไหมเวลาอยากอะไรขึ้นมา้มันจะขันอยู่ในใจคนทั่วโลกมันก็ขันนะแต่ไม่เคยเห็นหรอกถ้าเราคอยรู้ทันใจมันขันแล้วมันอยากทำผิดศีลนะอยากจะไปกินเหล้าถามจริงๆพวกเราคนไหนกินเหล้าเป็นประจาบ้างมีไหมในนี้ ไม่มีเลยเหรอมีแต่ยาบ้าเหล้าไม่มีอย่างอยากกินเหล้านะใจก็คันนะอยากไปเที่ยวใจก็คันนะถ้าเราคอยรู้ทันใจของเรานะใจใจมันคันขึ้นมาะใจมันอยากขึ้นมารู้ทันความอยากมันจะหายตัเองเรียกความแปลกของธรรมะอยู่ตรงนี้เราไม่จําเป็นต้องเก็บกะศาสนาพูดไม่ใช่ศาสนาเก็บกด แต่ถ้าเป็นศาสนาที่ให้สอนให้เราคอยรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองการจะรักษาศีลให้คอยรู้ทันใจของเราไว้ใจมีความอยากมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันถ้าเรารู้ทันนะความอยากครอบงําใจไม่ได้กิเลสครอบงำใจไม่ได้มันไม่ผิดศีลหรอกอยากจะฆ่าเขาอยากจะตีเขารู้ทันนะความอยากครอบงำใจไม่ได้มันก็ไม่ไปฆ่าใครไม่ไปตีใครการถือศีลจะถือยาก ถ้าถือที่กายที่วาจาแต่ถือไม่ยากถ้าถือที่ใจมีสติรักษาใจตัวเองบ่อยๆคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองนะรู้ทันไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้กิเลสอะไรเกิดที่ใจคอยรู้ ร, รู้บ่อยๆนะฝึกหัดรู้ใจตัวเองไม่ต้องไปรอให้คนอื่นมารู้ใจเราการรักษาศีลต้องรักษาที่ใจถ้าเรารู้ทันใจตัวเองได้บ่อยๆกิเลสจะครอบงาใจไม่ได้กิเลสมันดีแต่เล่นทีเปลอ ถ้าเราไม่เผลอนะเรามีสติอยู่เราคอยรู้ทันอยู่กิเลสครอบงาใจไม่ได้อย่างความโกรธเกิดขึ้นคนเขาพูดมาขัดใจเราใจมันโกรธขึ้นมาเรามีสติรู้ทันว่าใจมันโกรธแล้วนะพอรู้ทันว่าใจมันโกรธความโกรธมันจะแยกออกไปอยู่ต่างหากใจอยู่ส่วนใจนะความโกรธอยู่ส่วนความโกรธแล้วความโกรธก็จะหายไปสลายไปเหลือแต่ใจที่เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์อยู่สบายสบาย หาดรู้สึกอย่างนี้รู้ไปกิเลสอะไรเกิดใคย ร, รู้ความโลภเกิดใครรู้ความโกรธเกิดใครรู้ความหลงเกิดใครรู้อยา่างเราอยู่โรงพยาบาลโทาสากเกิดง่ายวันๆเราเห็นแต่ของไม่สวยไม่งามอยู่โรงพยาบาลเห็นของสวยของงามไหมหาดูยากนะของสวยของงามมีแต่ของไม่สวยไม่งามมีแต่ของน่าเกลียดของสกปรกให้ดู คนคนที่เขาแข็งแรงสวยสดงดงามเขาก็ไม่โผล่มาที่โรงบาลให้เราเห็นใช่รอดแรกรอดแรกเขาหามกันมาดูไม่ได้วันๆั น, นเรากระทบอารมณ์ที่ไม่น่าชื่นใจการที่ใจเราต้องตาเรามองเห็นสิ่งที่ไม่น่าชื่นอกชื่นใจหูเราก็ได้ยินเสียงแต่ร้องไห้คล่ำครวญอะไรอย่างนี้ไม่ชื่นอกชื่นใจใจเราก็เศร้าหมองก็ตามมองเห็นแต่ของไม่ดีหูได้ยินแต่ของไม่ดี วันๆยิ่งเราคิดๆเรื่องไม่ดีเข้าไปด้วยจิตใจเราจะเต็มไปด้วยโทสะเพราะนั้นในโรงพยาบาลเนี่ยโทสะเยอะนะโทสะเยอะจิตใจที่เศร้าหมองไม่มีความสุขเยอะแยะเลยยิ่งคนไข้ยเยอะๆนะแล้วบางคนคนไข้บางคนเราก็ดินทามเหมือนกันนะมันเอาแต่ใจบอกให้ทํานียิ่งจะทําอย่างนั้นตีโพยตีภัยแนะนําอะไรก็ไม่เชื่อแล้วเราอยู่โรงพยาบาลเราเจอคนอย่างนี้เราก็ลาคาน ความรําคาญมันเกิดขึ้นถ้าเรามีสติรู้ทันใจที่มันรำคาญนะเห็นหน้าคนไข้คนนี้ก็ไม่ชอบแล้วมีไหมพวกเราสังเกตใจตัวเองให้ดีนะคนไข้ามาสองคนเนี่ยความรู้สึกของเราต่อคนไข้สองคนนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนหรอกไม่เหมือนนะคนที่สาวหน่อยสวยหน่อยนะก็ดูดีหน่อยแต่ถ้าพยาบาลเจอคนนี้เขาสวยกว่าเราสาวกว่าเราอาจจะฉีดยาหนักหน่อยนะเออ คนที่น่าสงสารนะเบามือหน่อยอะไรงี้เนื้อนะ ใ, ใจเรามันไม่เท่ากันนะแล้วคอยรู้ทันใจของตัวเองนะเนี่ยการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยนะอย่าไปวาดภาพว่าเราต้องไปนั่งสมาธิจริงหลายๆชั่วโมงเดินจงกรมทีหนึ่งหลายๆชั่วโมงต้องอดข้าวเย็นนะต้องไม่ยุ่งกับสามีต้ออะไรต่ออะไรเนี่ยเรื่องมากเรื่องมากไม่ยากเย็นขนาดนั้นหรอก คอรู you. You ้ทันใจของตัวเองบ่อยๆอยู่โรงพยาบาลเห็นคนไข้คนนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้เห็นคนไข้คนนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้เห็นญาติคนไข้ญาติคนไข้คนนี้หน้าดูดีอะไรเงี้ยความรู้สึกเป็นอีกแบบหนึ่งคอยรู้ทันใจตัวเองแบบเนี้ยใจของเราจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อตามองเห็นใจของเราก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนเนี่ยเสียงชมใจมันพองขึ้นมาดูออกไหมใครเคยรู้สึกใจพองบ้าง เวลาคนชมรู้สึกไหมมันมันยิมเอิบเบิกบานนะมันพองเวลาถูกดา่ามีหลายแบบใจแฟบแฝบไปเลยก็มี ใ, ใจเดือดขึ้นมาเลยก็มีใครเคยเห็นใจเดือดเดือดบ้างมีไหมเคยเห็นนะไม่ยากอะไรนะเนี่ยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะการภาวนาไม่ใช่เรื่องยากอะไรเมื่อตามองเห็นใจของเราเปลี่ยนแปลงไปเรารู้ทันความเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นที่ใจเมื่อหูได้ยินเสียงความรู้สึกของเราเปลี่ยนไปเสียงชมความรู้สึกเป็นอย่างนี้ เสียงด่าความรู้สึกเป็นอย่างนี้เสียงร้องไห้คร่ำครวญความรู้สึกเป็นอย่างนี้เนื้อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นที่ใจให้เราคอยมีสติรู้ทันะฝึกแค่นี้ยากไหมยากไหมไม่เข้าขั้นก่อไก่เลยนะง่ายๆใครว่ายอย่างยากจะได้สอนให้ง่ายกว่า น, นี้อีกไม่มีนะงนั้นเราขนาดนี้ถือว่าไม่ยาก ้เราคอยรู้ทันความรู้สึกซึ่งเกิดขึ้นที่ใจบ่อยๆไม่บังคับให้ใจนิ่งหลายคนไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมว่าใจต้องไม่มีความรู้สึกถ้าไม่มีความรู้สึกได้จะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกให้คอยรู้ทันใจไปนะแล้วกิเลสมันครอบงำใจไม่ได้ถ้ากิเลสครอบงาใจไม่ได้ก็เป็นพระอรหันต์ได้พ้นทุกข์ได้เราคอยรู้ทันใจตามองเห็นใจเราเปลี่ยนแปลง เห็นอย่างนี้ชอบเห็นอย่างนี้ไม่ชอบได้ยินเสียงอย่างนี้ชอบได้ยินเสียงอย่างนี้ไม่ชอบได้กลิ่นอย่างนี้ชอบนะได้กลิ่นอย่างนี้ไม่ชอบเวลากินข้าวเราก็ปฏิบัติทําได้ได้รสอาหารอย่างนี้ชอบรสอาหารอย่างนี้ไม่ชอบเก็จะค่อยรู้ทันไปมีสิ่งใดมากระทบสัมผัสทางร่างกายนะกระทบอย่างอากาศกาลังหนาวอยู่ลมหนาวมากระทบเนี่ยใจไม่ชอบ อากาศกำลังร้อนใน ล, ลมเย็นๆมากระทบเนี่ยใจมันชอบไม่คอยดูอย่างนี้คอยดูใจของตัวเองไปนะการปฏิบัติที่หัดดูจิตดูใจของตัวเองในชีวิตจริงๆนี่การปฏิบัติทำนะเราไม่ยากที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจะทำได้พวกเรามนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งทาได้ไม่ยากนักหรอกทำไมหลวงพ่อไปหัดมาจากหลวงปู่ดูลย์ท่านก็สอนให้ดูจิตตัวเอง ทาสอนให้ดูจิต ต, ตัวเองตอนนั้นทํางานอยู่สภาความมั่นคงแห่งชาติงานนี่หนักมากเลยมีแต่เรื่องเครียดเครียดทั้งนั้นเลยเรื่องที่ไม่ค่อยดีทั้งหลายงานหนักงานเครียดหลวงพ่อก็หัดภาวนาหัดดูจิตดูใจของเราอย่างงานประชุมเนี่มีเยอะงานประชุมมีเยอะบางคนนะมันพูดตั้งชั่วโมงหาสาระไม่ได้เลยพวกเราเวลาไปสัมมนาไปไประชุมเคยเจอไหม พวกที่พูดตั้งนานแต่ไม่มีเนื้อหาเนี่ยพอเราจะต้องไปคุยกับคนแบบนี้ไปชุมกับคนแบบนี้นะซึ่งเรารู้เลยเสียเวลาหลายชั่วโมงแล้วก็หาข้อยุติไม่ได้ใจเรารำคาญตั้งแต่ยังไม่เริ่มประชุมแล้วเนี่ยเรารู้ทันใจของเราจำเป็นต้องให้มันพูดมันใหญ่ให้มันพูดก็ให้มันพูดไปพูดไปเราก็นานๆแวบขึ้นมาฟังทีหนึ่งอยงเรื่องอยังไม่เดินไปไหนนะนะก็ทำจะแบบที่ยเราไป แล น, นาก็โผล่ขึ้นมาฟังทีหลวงพ่อฝึกเนี่ยฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆเลยนะฝึกอยู่ในชีวิตของคนธรรมดาธรรมดาคนเมืองอย่างพวกเรานี่เองตื่นเช้าขึ้นมานะก็ดูจิตตัวใจของเราแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมานึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจใหแห้งแล้งเลยคนไหนนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจสดชื่นมีไหมหายากนะหายากข้าราชการอนะ ตื่นนอนมาวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งวันอังคารเบื่อรู้สึกไหมเบื่อมากเลยวันพุธเนี่ยสุดจะเบื่อเลยะวันพฤหัสเริ่มมีความสุขตื่นขึ้นมานึกได้ว่าวันนี้วันพฤหัสความรู้สึกต่างกันนึกออกไหมตื่นขึ้นมาวันนี้วันจันทร์กับตื่นขึ้นมาวันนี้วันพฤหัสความรู้สึกไม่เหมือนกันถ้าตื่นขึ้นมาวันนี้วันศุกร์รู้สึกไหมวันศุกร์ความรู้สึกเป็นอีกแบบหนึ่งนะมีมูดอีกแบบหนึ่ง เรื่อเราหัดปฏิบัติธรรมนะไม่ยากอะไรนะตื่นนอนขึ้นมานึกได้เลยวันนี้วันอะไรความรู้สึกของเราเปลี่ยนแะรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองนะออกจากบ้านนะออกจากบ้านไปเห็นรถเต็มถนนเลยสดชื่นไม่มีเพื่อนร่วมทางเยอะอคนเมืองไทยเยอะดีนะไปไหนก็แย่งกันอุนนะ่นหนาฝาข้างมีความสุขไม่รู้สึกอย่างนั้นหรอกรถเต็มถนนแล้วปลุกใจใช่ไหม เดีย๋ยวนี้มีรถบนดินใต้ดินหลวงพ่อไม่เคยนั่งนะเพราะว่าแน่นมากเขาห้ามล้าขึ้นหอกมัง้งยิ่งไซอย่างหลวงพ่อผงไม่ให้ขึ้นอ่ะเหมืนอนคงไม่โผล่ขึ้นจากดินเลยนี่เราคอยดูนะเราจะขึ้นรถนรถติดลุ่มใจกลัวจะไปทำงานไม่ทันใจกงักงวลกังวลรู้ว่ากังวลนี่ฝึกไปอย่างนี้จะกินข้าวนะเดินไปที่โรงอาหารนะกินข้าวเดินเดินไปเห็นแต่ของไม่ชอบ ใจก็เ ส, ง, เสง็งๆตรวจแม่ค้าด้วยว่าแม่ค้านี่ไม่พัฒนาเลยทำอาหารเหมือนกันทั้งปีเลยจะไปเจอของชอบชอดีใจดีใจรู้ว่าดีใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบเรื่อหัดง่ายๆหัดง่ายๆอย่างนี้เองนะเวลาทำงานถ้าเราต้องทำงานที่ใช้ความคิดนะไม่ใช่เวลาปฏิบัติแล้วอันนี้ต้องยกเว้นไวนะ้แต่เวลาอื่นเนี่ยเราสามารถที่จะปฏิบัติทำได้ตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนะยกเว้นเวลาที่เราทํางานที่ต้องคิดเท่านั้นเองเวลาที่ทํางานต้องคิดเนี่ยสติสมาธิปัญญาของเราต้องไปจดจ่ออยู่กับงานนะมันจะมานั่งดูจิต ด, ดูใจไม่ไดนะ้แต่ว่าถ้าเวลาอื่นให้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปอย่างทํางานไปช่วงหนึ่งนานนะใจชักวุ่นวายนะเหนื่อยละใจก็วุ่นวายแล้วหลวงพ่อใช้วิธีเดินไปห้องน้ํา เดินไปห้องน้ําเลยทีแรกดูจิตไม่ออกแล้วมั่วไปหมดแล้วนะทํางานมาหลายชั่วโมงมึนไปหมดแล้วดูจิตใจดูใจไม่ออกก็ เ, เห็นร่างกายมันเดินไปห้องน้ำํำนะไปเข้าห้องน้ําได้สบายใจนะสบายใจรู้ว่าสบายใจกลับมาดูจิตตัวเองได้ละเดินกะลับมาทํางานต่อเ น, ะนีฝึกง่ายๆนะฝึกง่ายๆฝึกไปเรื่อยเลยแล้วก็จะในที่สุดเราก็จะเห็นความจริงของชีวิตอย่างหนึ่งว่าจิตของเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยง จิตใจนี่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตลอดเวลาจะเห็นซ้าแล้วซ้าอีกนะเห็นเรื่อยไปแล้วต่อไปก็เห็นอีกเลยความสุขมันก็อยู่ได้ไม่นานความทุกข์ก็อยู่ได้ไม่นานอกุศลก็อยู่ได้ไม่นานความโลภความโกรธความหลงก็อยู่ไม่นานทุกอย่างอยู่ได้ไม่นานแล้วทุกอย่างเนี่ยบังคับไม่ได้เราสั่งไม่ได้เลยว่าให้จิตใจมีความสุขห้ามไม่ให้มีความทุกข์ห้ามไม่ได้จิตจะทุกขก็ห้ามไม่ได้ จิตจะสุขสั่งให้มันสุขมันก็ไม่ฟังเมื่อเห็นแต่ของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้จิตจะโลภก็ห้ามไม่ได้จิตจะโกรธก็ห้ามไม่ได้จิตจะหลงก็ห้ามไม่ได้จิตจะฟุ้งซ่านก็ห้ามไม่ได้จิตจะหดหู่ก็ห้ามไม่ได้จิตจะสงบสั่งให้สงบก็ไม่ได้มีแต่คำว่าทาไม่ได้ตรงที่เราบังคับไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าอนัตตาอนัตตานล้เราจะเห็นเลยจิตใจของเราถ้าเราหัดตามดูบ่อยๆอย่างที่หลวงพ่อบอกนะ ใจมันเป็นยังไงตั้งแต่ตื่นนอนนะคอยรู้ไปตามมองเห็นใจมันเปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจมันเปลี่ยนจมูกได้กลิน่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจมันคิดใจมันนึกอะไรไปความรู้สึกมันเปลี่ยนตลอดเวลาให้เราคอยรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงนี้แหละสุดท้ายใจมันจะได้ข้อยุติมันจะสรุปออกมาได้เลยวนะ่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในจิตใจเราเนี่ยเมื่อแต่ไม่เที่ยง ก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราว ก, กุศลก็ชั่วคราวโลภโกรดหลงก็ชั่วคราวอะไรอก็ชั่วคราวเนะี่ยเราก็บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจอยากถ้าเราเห็นซ้ําแล้วซ้ําเล่านะวันแล้ววันเล่าบางคนเห็นเจ็ดวันบางคนเห็นเจ็ดเดือนบางคนเจ็ดปีบางคนอาจจะเจ็ดชาติถ้าขี้เกียจนะถ้าไม่ขี้เกียจขยันดูไปเรื่อยถึงวันหนึ่งจิตมันต้องยอมรับความจริงขึ้นมาจนได้นะว่าทุกอย่างในชีวิตเรานี้เป็นของชั่วคราว สุดทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนะเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยรู้แต่เป็นของชั่วคราวแล้วก็เป็นของบังคับไม่ได้เป็นของที่ตนอยู่ในภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ตลอดไปหรอกนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้นะนี่แรกการเจริญปัญญาถ้าเราภาวนาตามรู้ตามดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปแบบนี้บ่อยๆนานเข้านานเข้าถึงวันหนึ่งมันจะเกิดอริยมรรคขึ้นได้นะอริยมรรคนี้เป็นเรื่องแปลกนะมันเกิดเอง ไม่มีใครสั่งให้อริยมรรเกิดขึ้นได้แล้วเราอย่าไป น, นึกนะว่ามรรคผลนิพพานไม่มีจริงนะมรรคผลนิพพานเป็นกระบวนการของจิตทางนั้นเลยะเป็นะกระบวนการที่จิตมันตัดสินความรู้นะถ้าตัดสินความรู้ล้างกิเลสแล้วเนี่ยกิเลสตัวนั้นจะไม่กลับมาให้ร้างอีกแล้นะมันจะไม่เหมือนวิธีล้างกิเลสธรรมดาๆรรอย่างนี้อย่างพวกเราล้างกิเลสด้วยวิธีอะไรเราตามใจกิเลสกิเลสก็หายใช่ไหม อยากไปดูหนังแล้วไปดูหนังแล้วความอยากหายไหมก็ามหายนะต่สนองกิเลสเท่ากิเลสก็หายได้เหมือนกันแต่มันประเดี๋ยวมันก็อ ย, กอยากอย่างอื่นอีกนะถ้าพัฒนาขึ้นมาหน่อยมีสติจิตใจมีความอยากขึ้นมารู้ทันความอยากหายไปเลยนะเดี๋ยวก็เกิดอีกนะไม่เหมือนตอนเกิดอริยมรรนะถ้าเกิดอริยมรรณแล้วกิเลสตัวไหนที่ถูกฆ่าตายแล้วตายถาวรไม่เกิดขึ้นมาอีกแล้ว เพระฉ น, นัอนที่จะเกิดอริยมรรคนะเราต้องมาเดินปัญญาให้ได้มาตามรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองนะตา ม, มองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นริ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งเกิดความเกิดเพื่อมไหวเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในจิตในใจคอยรู้ทันไปเรื่อยอันนี้เป็นกรรมฐานที่ง่ายๆเหมาะกับคนในเมืองนะอย่างพวกเราอย่าแค่นั่งสมาธิเดินจงกรมวันละหลายๆายชั่วโมงทำไม่ไหวอย่างพยาบาลเนี่ยวันนึงก็เดินเยอะอยู่แล้ว บางคนก็นั่งนั่งทั้งวันเลยนั่งจนเป็นฤทธิ์สีดวงเลยไปไหนนั่งแปะอยู่ทั้งวันอยู่กับที่คอยรับคนมาคนไข้ามาระยุไปยิ่งอยู่ไม่กี่อิริยาบทเครียดเหนื่อยจะให้ไปนั่งสมาธินานๆนั่งไม่ไหวบางคนก็เดินทั้งวันเลยจะให้ไปเดินจงกรมอีกเดินไม่ไหวต้องไปเดินช้อปปิ้งไหวนะยกเว้นจะเดินจงกรมเดินไม่ได้เหนื่อย ก็เรามาทำกรรมฐานที่เหมาะกับคนในเมืองนะกรรมฐานที่เหมาะกับคนในเมืองแล้วให้ผลนะไม่ใช่ไม่มีผลหลวงพ่ออาหัรสมาธิตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เจ็ดขวบนะฝึกสมาธิอาณาปนานสติฝึกให้จิตสงบฝึกอยู่ยี่สิบสองปีฝึกอยู่ยี่สิบสองปีได้แต่ความสงบนั่งสมาธิแล้วก็สงบไปสบายไป <S S S S S นะเดี๋ยวก็ฝันไปนะมีนิมิตอย่างนัน้นอย่างนี้มันก็จิตมันฝันนั่นแหละ ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาไม่เห็นว่ากิเลสมันจะกลัวการนั่งสมาธิเอาความสงบเลยกิเลสไม่กลัวความสงบหรอกในความสงบนะมีกิเลสซ่อนอยู่ด้วยซ้ําไปอย่างวันไหนเรานั่งสมาธิจิตสงบนะเรามันอิ่มอกอิ่มใจนะโลภามันเกิดมันชอบนะวันนี้นั่งแล้วมันไม่ยอมสงบเลยโทสามเกิดนะกิเลสมันแทรกด้วยซ้ําไปนี่พอมาเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้ดูจิตตัวเองมาดูจิตอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เอง แต่ว่ามีเงื่อนไขสองอย่างนะต้องถือศินห้าต้องถือศีลห้าไว้ก่อนะเมื่อกี้รับไปแล้วอย่าไปทิ้งนะใครรับไปทิ้งแช่งจุดๆเลยนะ <c oughs> อย่างน้อยเอาไว้ให้ได้สัวกนะ ว, สวันหนึ่งก็ยังดีนะค่อยค่อยหลุดเลยอย่าให้หลุดเร็วเอาสักวันหนึ่งก็ยังดีอย่างน้อยได้ปลุกใจในชีวิตนี้เคยถือศีนได้หนึ่งวันมีศีนไว้ก่อนนะแล้วก็ทุกวันไหว้พระสวดมนต์ ทำในรูปแบบบ้างคนไหนสนัดพุดโทโธก็พุโทโธไปคนไหนสนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปคนไหนสนัดจะดูท้องพองยุกก็ดูไปทํากรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ทําทุกวันไม่ต้องทํามากวันหนึ่งสิบนาทีสิบห้านาทีก็พอะต่อไปมันมากเองถ้ามันเห็นผลดีของการปฏิบัติแนละ้วเราจะปฏิบัติได้มากขึ้นมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องฝืนใจ ในการที่เรารักษาศีลไวนะ้ทำให้เราไม่ตอ่อเนื่องเติมๆออกนอกคอกการที่เราทุกวันเราต้องมาไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรบ้างทำให้เรามีวินัยในตัวเองนะการนั่งสมาธิการเดินจงกรมนั้นไม่ใช่ทำไปเพื่อแค่ความสงบนะเรามาหัดรู้จิตใจของตัวเองในการซ้อมรู้เนะช่นเราหัดพุดโทโธพุโทโธไปจิตเราแอบไปคิดรู้ทันว่าจิตแอบไปคิดแล้ว พุทโธพุทโธจิตแอบไปคิดอีกรู้ว่าจ no like. ิตแอบไปคิดไม่ว่ามันไม่ห้ามมันคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยนะพอหายใจไปแล้วจิตแอบไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งนิ่งอยู่กับลมหายใจรู้ทันจิตเป็นยังไงก็คอยรู้ทันไว้คนไหนถนัดดูท้องพองยุบก็ดูไปดูท้องพองยุบแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ทัน คนไหนถนัดเดินจงกรมก็เดินไปนะเดินไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้ทันหรือบางคนเพ่งร่างกายทั้งร่างกายจิตแอบไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ก็รู้จิตเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยเนียทุกวันเราแบ่งเวลามาซ้อมอยู่นี้สักสิบนาทีสิบห้านาทีทุกๆกวันต่อไปเวลาเราอยู่ในชีวิตจริงนะแค่ร่างกายขยับนะสติก็เกิดละกิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจนิดๆหน่อยๆ น, นะเราก็จะรู้ทันนะ ตรที่ตัวรู้ทันนีเรียกว่ามีสติมีสติก็รู้ทันอะไรเกิดขึ้นในร่างกายก็รู้ทันอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้ทันรู้ทันไปเรื่อยๆรู้สบายสบายอย่าเข้าไปยุ่งกับมันดูสบายสบายไปในส่วนมันจะเห็นเลยว่าทุกอย่างมาเราก็ไปเช่นร่างกายหายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกนะร่างกายหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงร่างกายหายใจออกก็ไม่เที่ยงร่างกายยืนก็ไม่เที่ยงร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนก็ไม่เที่ยง มีแต่ของไม่เที่ยงนะแล้วดูเป็นมากกว่านั้นจะเห็นเลร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายไม่ใช่จิตออกนะร่างกายเป็นแค่วัตถุเรายืมวัตถุของโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวนะเนะีมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงนะเนี่ยนี่คือการเดินปัญญาทั้งสิ้นนะหรือคอยรู้ทันใจใจมีแต่ความเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วนะคอยรู้ไปเรื่อยทั้งวันทั้งวันนะ มีเวลาเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นนะคอยรู้บ่อยๆวันๆแล้วเอาโอกาสเอาเวลาของเรานั้นไปใช้กับทางโลกสมบูนะเราหลงไปกับโลกข้างนอกตลอดเวลาเราล้าเลยที่จะคอยรู้ทันตัวเองเรารักตัวเองที่สุดนะแต่เราทอดชิงตัวเองเราไม่สนใจที่จะคอยดูตัวเองลองเปลี่ยนนะแทนที่จะคอยวุ่นวายออกไปโลกภายนอกย้อนกลับมาคอยสังเกตจิตใจของเราเอง อย่าไปบังคับจิตใจแต่ให้คอยสังเกตจิตใจไปจิตใจสุขก็รู้จิตใจทุก็รู้จิตใจดีก็รู้จิตใจชั่วก็รู้จิตใจเปรียดยังไงก็รู้ไปเรื่อยนะีย่ฝึกแค่นี้แหละไหวไหมไหวไหมไหวนะง่ายวันนี้ก็รู้จะทาง่ายยังไงแล้วนะหลวงอฝึกมาก็ฝึกมาแบบนี้แหละะฝึกอยู่เจ็ดเดือนนะไปส่งกันบ้านหลวงปูดูลนะท่านก็บอกช่วยตัวเองได้ละ ต่อไปนี้ไม่ต้องมาหาท่านแล้วไม่ต้องเรียนกับท่านก็ได้นะช่วยตัวเองได้ท่านบอกอย่างนี้เราหัดดูของเราทุกวันทุกวันเจอกระทั่งปัญญามันเกิดไม่เห็นว่าทุกอย่างในชีวิตนี้มันชั่วคราวไปหมดะถ้าเราจิตมันยอมรับความจริงตรงนี้ได้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะมันทนได้นะคนที่เรารักจะตายเป็นไปได้ไหมที่คนที่เรารักจะตายเป็นไปได้ไหมที่คนที่เรารักจะนอกใจ ระหว่างคนที่เรารักตายกับคนที่เรารักนอกใจถ้าเลือกเราจะเลือกอันไหนเลือกให้ตายซะดีกว่า <laughs> <laughs> ดีกว่ามันนอกใจ <laughs> ใช่ไม้มไม่ค่อยเห็นกัดตัวเลยนีย <laughs> <laughs> ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะถ้าเรารู้ว่ามันชั่วคราวแฟนจะทิ้งนะกก็ดีแล้วที่เคยมีแฟนเคยมีความสุขมีสามีแม ม, มีความสุขก็ดีแล้วมีความสุขมาตั้งปีหนึ่งละ เราเป็นี่มีความทุกข์บ้างก็จะกําไรนะเคยมีความสุขตั้งปีหนึ่งแล้วถ้ารู้จักนะว่าทุกอย่างในชีวิตเป็นของโชคชะตาไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็ทนไหวนะทนไหวพอได้ไหมพอได้ไหมง่ายไหมอย่างเงี้ยง่ายนะไม่รู้จะ ง, ง่ายกว่านี้ยังไงแล้วหัดดูไปนะหลวงพ่อหัดมาแบบนี้แหละหัดอย่างนี้แหละเสร็จแล้วไปหาครูบาอาจารย์นะไม่ว่าองค์ไหนนะ ไม่มีองค์ไหนบอกว่าภาวนาผิดเลยมีแต่ท่านบอกดีแล้วดีแล้วทําอีกทําอีกหาคอยรู้คอดูไปหาครูบาอาจารย์เยอะนะไม่เฉพาะหลวงปู่ดูลออกอยู่กับหลวงปู่ดูลได้ไม่นานกี่กว่าท่านก็มรณภาพหลวพ่อก็ไปเรียนกับหลวงปู่เทศหลวงพ่อพุธหลวงปู่สิมอาจารย์มหาบัวอะไรเนะี่ยไปซะเยอะเลยมีครูบาอาจารย์เยอะเข้าไปหาครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละงไม่มีองค์ไหนว่าทําผิดนะ การที่เราคอยรู้ทันกิเลสของตัวเองไปเรื่อยรู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยมีแต่บอกว่าให้ไปทําอีกทาไปเรื่อยดังนั้นพวกเราก็ลองดูนะอันนี้ต่อไปนี้แทนที่จะคอยอยากมีคนอื่นมารู้ใจใครๆก็อยากมีคนรู้ใจต่อไปนี้เราคอยรู้ทันใจตัวเองไว้ะใจเราสุขก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้ใจเราดีก็รู้ใจเราโลภใจเราโกรธใจเราหลงรู้ลุกเดียวเลยรู้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงมัน ไม่ใช่ว่าโกรธแล้วทํายังไงจะหายโกรธไม่ต้องทําให้ดูเฉยๆเราปฏิบัติทำเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราวเพ้าใจมันโกรธนะดูไปซิมันจะโกรธ ถ, ถาวรได้ไหมใจมันโลบดูซิมันจะโลบถาวรได้ไหมดูเฉยๆไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันจะดับให้ดูนะไม่ต้องไปหาทางแก้นะถ้าเราจะเจริญปัญญาหรือการทำมิปัสนากรรมฐานเนี่ยเราต้องรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง ไม่ต้องเข้าไปแก้ไขไม่ต้องเข้าไปดัดแปลงมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นง่ายขนาดนั้นน่ะง่ายมากเลยไม่เหมือนสมถะนะสมถะยากกว่ากันเยอะเลยสมถะเนี่ยจิตไม่สงบทําให้สงบไม่ใช่ง่ายสงบแล้วต้องรักษาเอาไว้ไม่ใช่ง่ายส่วนวิปัสสนานะจิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบอยากให้สงบรู้ว่าอยากนะให้รู้ทันมีการปฏิบัติอยู่อันเดียวคือคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองไปก็ไม่รู้จะง่ายกว่านี้ได้ยังไงแล้วนะ ลองดูนะแล้วจะพบความอัศจรรย์ของธรรมะพวกเราคนไหนถ้าเคยฟังซีดีที่เขาแจ ก, กนะซีดีหลวงพ่อนะหรือเคยเคยฟังหลวงพ่อเวลาคนเขาส่งกันบ้านเลยนะเราจะพบอย่างหนึ่งนะว่าคนเ้าจะมาบอกเนี่ยว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนเมื่อเขาเริ่มปฏิบัติธรรมชีวิตของเขามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างลึกไม่ถึง เคยทุกมากนะก็ทุกน้อยเคยทุกนานก็ทุกสั้นเนี่ยมันเป็นอย่างเห็นได้ด้วยตัวเองเห็นได้ด้วยตัวเองแล้วคนที่ภาวนาแบบนี้ภาวนาแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะนับจำนวนไม่ท้วนนะ้านะมีมากมายเลยคนมาจากอเมริกงอเมริกาอะไรนะฟังซีดีไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยเ้าก็มาถึงแบบบางคนมาบอกอย่างนี้นะ มานี้ไม่ได้มาถามอะไรแต่จะมาขอบคุณขอบคุณเพราะว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนเราก็เออสาธุก็มีเหมือนกันบางคนบอกมาวันนี้ไม่มาถามจะมาขอบคุณแล้วก็บอกช่วยถามหน่อยเถอะบางทีก็เข้าใจมั่วๆมาก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจได้เรื่องเข้าใจถูกชีวิตเปลี่ยนด้วยตัวเองเห็นด้วยด้วยตัวเองแล้วเคยสวดมนต์บททำบุญไหม ประโยคสุดท้ายนะปัจจิตตังเวทิสัพโฟบิดยูหิวินยูชนรู้ด้วยตนเองในบทธรรมกุลนะดีมากๆเลยเวลาปฏิบัตินะโอปะนัยโกน้อมเข้ามาดูตัวเองวิธีปฏิบัติธรรมนะโอปะนัยโกน้อมมาดูตัวเองแล้วจะเห็นเลยเห็นด้วยตัวเองเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไม่ใช่เรื่องทิสดารอะไรการปฏิบัติธรรมแท้ๆคือการเรียนรู้ตัวเอง ถ้าเรียนรู้ตัวเองได้แจ่มแจ้งจะเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวถ้าเห็นได้อย่างนี้ต่อไปความทุกข์จะหายไปนะเอาท่านนี้ก็พอนะเทศนานไปนกตุ้มใจเปล่ามีซีดีแจกใช่ไหมวันนี้ซีดีแจกฟรีนะแจกฟรีขร้องฟังคนละเที่ยวก็ยังดี <c oughs> บางคน ไม่มีซีดีนะสมัยก่อนที่โรงพักเทศใหม่ๆไม่มีซีดีเขามีเทปเอามาอัดเองมีม้มวนเดียวฟังอยู่เทปยืดเลยฟังเทปยืดพอเทปยืดได้ที่นะจิตก็ปิ๊งตื่นขึ้นมาจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานชีวิตเปลี่ยนต่อหน้าต่อตาพวกเรามีโอกาสนะเราเป็นชาวพุทธถ้ารู้จักคำสอนของพระ เ, เจ้า ลงมือปฏิบัตินะรู้ว่าจะต้องปฏิบัติยังไงหลักของวิปัสสนากรรมฐานรู้รูปนำตามที่มันเป็นมันเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้กายเห็นกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นซ้ําๆอย่างเงี้ยเห็นซ้ําๆไปถึงว่าหนึ่งธรรมะมันก็แจ้งขึ้นหมาแก่ใจตัวเองความทุกข์ตกหายลองดูนะลองดู อ่านี้ก็พอแลอละค่ะก็มีคำถามแล้วนะคะอะไรคือจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคารวะไปสู่ร่มกาสาวพัฒของพระคุณท่านคะอ๋อหลวงพ่อชอบภาวนามาแต่เด็กตั้งแต่เด็กๆไปหาท่านพอรอหลีมาท่านสอนอาณาปนาสติทุกวันภาวนาทุกวันไม่เคยทิ้งเลย ภาวนาไปถึงวันหนึ่งใจไม่อยากบวชนะแต่ว่าพารามยังมีอยู่ก็เลยต้องอยู่ทางโลกไปก่อนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไปพอหมดภารามแล้วคืนได้บวชนะคะค่ะคำถามที่สองค่ะเวลาเวลาที่เราไม่ทราบว่าจิตอยู่ที่ไหนกําลังหลงอารมณ์อะไรอยู่เราควรทําอย่างไรดีเจ้คะ กนะ็หัดรู้ทันนะหัดรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเราทุกคนสามารถรู้ความรู้สึกของตัวเองได้ความรู้สึกทุกชนิดเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะรู้มีใครไม่รู้จักว่าโกรธเป็นไงบ้างมีไหมใครไม่รู้จักไม่เคยโกรธใครไม่เคยโลบใครไม่เคยหลงใครเคยกลัวบ้างมีไหมใครเคยกลัวมีคนเดียวเคยกลัวอ้อมีสองคนสามคน มีใครเคยอิดฉ้าบ้างมีไหมเคยทุกคนแหละเใช่ไหมนะความรู้สึกทุกชนิดนะเรารู้จักอยู่แล้วแต่<ม> เ, เราละเลยที่จะรู้ว่าตอนนี้ใจของเรารู้สึกอะไระใจไม่เดยหลงไปไหนนักหนาหรอกเราแหละไม่ยอมดูเองนะถ้าขยันดูเราก็จะรู้เลยว่าตอนนี้ความรู้สึกของเราเป็นยังไงความสุขรู้จักไหมความทุกข์ก็รู้จักใช่ไหมดีใจเสียใจนะ กลัวกางวนรู้จักทุกอย่างนะเซงเซงรู้จักไหมเซงเซงกับโกรดเหมือนกันไหมไม่เหมือนเห็นหมแยกเป็นแร้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไง ร, รู้ลงไปรู้ทันความรู้สึกที่กำลังเกิดอยู่สดๆร้อนๆในใจตัวองนะฝึกอย่างนี้แหละถึงจะเข้าใจว่าจิตป็นเป็ น, ป น, ปนยังไงค่ะคำถามต่อไปนะคะบางครั้งรู้จิตไม่ทันขณะนั้น แต่มารู้เมื่อความรู้สึกนั้นจบแล้วสามารถนํามาพิจารณาได้เหมือนกันหรือไม่คือถ้าจบสดๆดร้อนๆเนี่ยนะไม่ต้องพิจารณาอย่างมันโกรธอยู่เรารู้ทันว่าโกรธขณะที่จิตรู้ว่าเมื่อกี้โกรธนะความโกรธหายไปแล้วเพราะความโกรธกับสตินะี่เกิดร่วมกันไม่ได้เาการดูจิตเนี่ยเราดูตามหลังตลอดแต่ต้องดูติดๆนะไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้อย่างนี้ใช้ไม่ได้ ตองแม่กาลังโกรธอยู่นะแล้วก็สติรู้ทันปั๊บโกรธขึ้นมานความโกรธจะดับตอนหน้าต่ตาเราเห็นหางไหวๆอยู่นิดเดียว น, นี่หัดดูไปอย่างนี้เรื่อยๆเราจะเห็นเลยความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเท่าไหร่นะไหลผ่านใจของเราไปเรื่อยนะไม่ต้องพิจารณาอะไรมากนะคอยรู้ทันความรู้สึกทุกคนรู้ได้อยู่แล้วเพียงแต่รู้ให้มันสดๆร้อนๆหน่อยไม่ใช่โกรธเมื่อวานวันนี้รู้ช้าเกินไปนโลบเมื่อวานวันนี้รู้นี่ช้าเกินไป ต้องเอาแบบสดๆร้อนๆยังไม่ทันจะหายกโกรธดีเลยรู้สึกขึ้นมาว่าโอ๊ะโกรธอยู่นะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆเวลา<ช>จะปฏิบัติธรรมนะเราต้องไม่กดมันใจเราเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะเราจะไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ไปกดไม่ไปบังคับให้มันนิ่งนะเราคอยรู้ทันความรู้สึกความเปลี่ยนแปลงของใจรู้เล่นๆรู้สบายๆทุกคนรู้ได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองนะค่ะ คำถามต่อไปนะคะผมรู้สึกจิตแกล้งตามส่วนต่างๆของกายเช่นเดินรู้สึกเท้ารู้สึกลมเย็นกระทบเดี๋ยวตามองเห็นคนสวยก็รู้สวยแต่อยากทราบว่าวิหารธรรมอยู่ตรงไหนครับอันนี้<ม>คงเป็ น, น ม, ม่ใช่ไม่มีวิหารธรรมดอกนะเอาใหม่เอาจิตเป็นวิหารธรรมก็ได้ตามองเห็นผู้หญิงสวยใจมันชอบขึ้นมา รู้ว่าใจชอบเดินไปเหยียบชีหมาขยะขยงหรือว่าขยะขยงรู้ที่ใจนิ่งมี harma ธรรมอยู่ที่ใจเรานิ่งงั้นไม่ใช่ไม่ใช่แค่ว่าไปรู้ที่เท้าที่วิ่งไปที่หูที่วิ่งไปที่ตาที่นะหาที่อยู่ไม่ได้ร่อนเร่ไปอยู่ยากคอยรู้อยู่ที่ใจอันเดียวก็พอละแต่อย่าเพ่งใจอย่าไปเพ่งให้ใจนิ่งะตามองเห็นรูปนั่นแหละแต่ใจมันไหวขึ้นมารู้ว่าใจมันไหวขึ้นมา หูได้ยินเสียงใจมันไหวขึ้นมารู้ว่าใจมันไหวขึ้นมานะเอาใจเป็นวิหารธรรมยังมีต่อนะคะอันนี้ปฏิบัติแล้วมองอะไรก็โน้พับเบิมไปหมดมันยังไงกันครับมันต้องดูนะโน้พับเบิมเพราะอะไรไม่<ค>นไม่ทราบใครเป็นเจ้าของเจ้าของคำถามลูกขึ้นถามต่อได้ค่ะ <laughs> เราดูเราถนัดอะไรเอาสักอันนะ แต่ว่าการที่มีวิหารธรรมไม่ได้แปลว่าไม่รู้อย่างอื่นยังเอากายเป็นวิหารธรรมเนี่ยใครเป็นคนรู้กายถ้าจิตเป็นคนรู้กายอย่างน้อยก็สองละดูกายไปเรื่อยเรื่อเวทนาก็เกิดขึ้นกับกายไหมก็เห็นไปกันแต่ว่าถ้าจะเอากายเป็นฐานไหมก็ร่างกายเคลื่อนไหวคอรู้สึกไปเรืแต่ถ้าเวทนาเกิดมันก็รู้ถ้ากิเลสเกิดมันก็รู้ถ้าจิตไหวมันก็รู้นะมีบ้านบ้านไม่ใช่คุกไม่ใช่ว่าห้ามออกไปที่อื่น ถึงจะเอาจิตเป็นวิหารธรรมนะมันก็รู้กายด้วยไม่ใช่รู้แต่จิตนะการปฏิบัติเนี่ยที่ว่าสายกายสายจิตอะไรมันแค่ตอนต้นเท่านั้นเองนะแต่ถ้าสติมันเกิดอย่างคุณสติเกิดไม่มีสายแล้วมีแต่ว่าปัจจุบันมันจะรู้อะไรทุกสิ่งที่มันรู้แสดงใจลักษ์เหมือนกันทั้งหมดเลยเนึกอออกไหมทุกอย่างมันแสดงใจลักษ์มาทั้นะตงตัวที่ว่าสายกายสายจิตเลยนะั่นกันแค่ตอนเบสิกตอนต้นต แต่สติสมาธิมันเกิดอัตโนมัติปัญญามันเกิดอัตโนมัติไม่มีสายหรอกลดไม่ได้ข <c oughs> ี้เกียจใปนกิเลสนะ <c oughs> เราต้องรู้ทำติดใจขี้เกียจขึ้นมารู้เลยเรามีหน้าที่ต้องทาหน้าที่นะถ้าเราลาทิ้งหน้าที่เวลาทิงทา้งธรรมะไม่ขี้เกียจ น, นะมีหน้าที่หากิน <c oughs> ค่ะมีอีกไหมคะถ้าไม่มีขออีกสักหนึ่งคำถามของตัวเองนะเจ้าคะ่ะหลวงพ่อคําว่ามัชชิมาปฏิปทานนี่ยฟังมาหลายแห่งเหลือเกินหลวงพ่อว่ามันคืออะไรคะไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปแล้วถ้าปฏิบัติไปปฏิบัติไปเกิดขี้เกียจขึ้นมาก็บอกให้วันนี้มันตึงเกินไปหรือว่าอะไรอย่างทํานองนี้นะคะหลวงพ่อก็ไม่เข้าข้างตัวเองนะครั้งหนึ่งนะมีเทวดาองค์หนึ่งไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เทวดาอางคนี้แกคิดว่าแกเป็นพระโศดาบันแนละ้วเวลาลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้านะรัศมีของเทวดานี่สว่างไปหมดเลยคนมีบุญไปแล้วสว่างไปถึงก็ไปทูนถามพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรโอคาคือห่วงน้ําห่วงกิเลสนะจะพูดง่ายๆพระองค์เป็นเจ้ารหันได้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็พูดเพราะนะบอกดูก่อนท่านผู้นิรทุก ท่านผู้ไม่มีความทุกข์เพราะกำลังหลงอยู่ในความสุขแนละ้วท่านเลยพูดให้เอาใจซะหน่อยท่านบอกดูก่อนสัตว์โลกผู้มีความทุกข์เทวดาคงไม่ฟังต่อแล้อารมณ์ไม่ดีล <c oughs> องดูก่อนท่านผู้นี้รัทุกข์ตถาคตข้ามโอคาได้เพราะไม่พักอยู่และไม่เพียรอยู่มีเทวดาที่คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์นะคิดว่าตัวเองก็แน่เหมือนกันฟังแล้วสะอึกเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านข้ามกิเลสได้โดยไม่พักและไม่เพียร ถ้าไม่ไม่พักเนี่ยก็พอรู้เรื่องใช่ไหมแต่ไม่เพียนในี่แปลกเทวดาก็เลยบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญช่วยขยายความหน่อยท่านก็สอนต่อบอกดูก่อนท่านผู้นิรัทุกข์ถ้าเมื่อไรเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเมื่อไรเราเพียนเราจะฟูขึ้นเราจะลอยขึ้นเทวดาก็ได้ธรรมะนะได้โสดาเราได้ยังฟังเหมือนกันนะนะยังไม่ได้ ตรงนี้เทวดาเข้าใจพวกเรายังไม่เข้าใจก็มีคําอธิบายนะคําอธิบายธรรมะอธิบายพระใจพิดดกในะเรียอว่าอาธาธาธาัตถกถาคําว่าพักอยู่เนี่ยก็คือการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสนะอันนี้มีอีกอันหนึ่งมีอีกชื่อหนึ่งชื่อกามสุ ข, ขาริการุโยค ก, การมสุ ข, ขาริการิโยค ก, การปล่อยตัวให้ชุ่มด้วยกรรมปล่อยใจให้ชุ่มกับกรรมสิ่งที่เรียกว่ากรรมก็คือความเพลิดเพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลาย งั้นถ้าเมื่อไหร่เราหลงโลกอ่ะเมื่อนั้นเราหย่อนไปเราหย่อนไปเราพักแล้วเราไม่มีความเพียรเลยใช้ไม่ได้ข้ามฝั่งไม่ได้ถ้าตรงที่ว่ามีความเพียรนะแล้วฝูขึ้นคำว่ามีความเพียรนี้ท่านอธิบายว่าหมายถึงอัตตะกิลมตฏฐานโยะ ก, การคอยควบคุมบังคับตัวเองตลอดเวลางั้นถ้าปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสี่ยก็สุดโตงไปข้าง ข้ารมสุขาริการุโยคถ้าบังคับกายบังคับใจทํากายทําใจให้ลําบากแล้วสุดโตมาข้างทําความเพียรแบบทรมานตัวเองเรื่ออัตตาขิลมรสานิโยกทางสายกลางไม่ได้เป็นอย่างนั้นทางสายกลางเนี่ยคือทางของศีลของสมาธิของปัญญานั่นเองคนมีศีลถ้าสือศีลศีลไม่เป็นนะก็จะสุดโตมาข้างบังคับตัวเองถ้าสือถือศีลและไม่ฉลาดพอ ก็ถือศีลตามใจกิเลสนะมีสมาธิก็เหมือนกันมีสมาธิก็ชอบบังคับจิตตัวเองให้นิ่งแบบนี้สุดโตรงไปข้างบังคับอีกพวกหนึ่งทำสมาธิแล้วก็มีความสุขเคลิบเคลิ้มไปนี่หลงตามกิเลสนะหรือจเจริญปัญญานะคอยคิดคน้นควาพิจารณามากจิตสูงสร้างนะตามกิเลสไปไปบังคับจิตให้นิ่งๆไม่ให้คิดพิจารณาเลยนะข่มไว้เฉยๆนะ ก, ก็ทรมานตัวเองไปอีก ทางสายกลางอยู่ตรงไหนะทางสายกลางอยู่ตรงที่มีศีลก็ไม่สุดโตไปสองข้างมีสมาธิก็ไม่สุดโตะมีปัญญา ก, ก็ไม่สุดโตะสองข้างพูดอธิบายยากนะอธิบายยากแต่ลงมือปฏิบัติไม่ยากอะ่ะใครรู้ทันใจตัวเองไม่ให้ได้ก็แล้วกันถ้ารู้ทันใจตัวเองไม่ได้นะไม่บังคับตัวเองก็ตามใจกิเลสถ้ารู้ทันตั้งใจตัวเองได้นะก็ไม่เข้าไปติดสองฝั่งนี้เช่นนั่งสมาธิอยู่ พอนั่งสมาธิอยู่พอเมื่อยหลังนะก็อบอกตัวเองเลยอย่านั่งต่อไปเลยนอนดีกว่าถ้านั่งต่อไปเป็นอัตตะกิลมัฏฐานโยกทรมานตัวเองนี่ถูกกิเลสหลอกแล้วนะถูกกิเลสหลอกแล้วหรือตะเลิดเปิดเปิงนะวันวันหนึ่งมีนะบางคนบอกว่าใช้ชีวิตให้เต็มอิ่มมีความสุขนะแล้ววันหนึ่งเลยก็เบื่อไปเองอะ่ะเเสพสุขให้มากๆเลยเพราะวันหนึ่งก็เบื่อนี่ไม่รู้จักธรรมะหรอกนะกิเลสถ้าเสพเท่าไหร่มันก็ไม่เบื่อ เบื่ออันนี้มันจะไปเอาอันอื่นยากนะถ้าไม่รู้ทันใจตัวเองถ้าเรารู้ทันใจตัวเองได้เราถึงจะเข้าทางสายกลางได้รู้ว่าขณะนี้สุดโต่งไปแล้วในข้างตามใจกิเลสรู้ว่าขณะนี้สุดโตงไปแล้วในข้างบังคับตัวเองต้องรู้ลงที่ใจให้ได้ค่ะงั้นพอจะเข้าใจด้วยระดับปัญญานิดนิดว่ามันต้องอยู่ที่การพิจารณา ในลักษณะการปฏิบัติคงไม่ใช่จะมาแปลกันว่ามัชฌิมาหมายถึงกลางคงไม่ใช่อย่างนั้นนะเจ้าท่านถดูสภาวะที่แท้จริงเป็นกาเมื่อไหร่จิตยังหยหาอะไรวอนในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสะเนียกรรมสุขาริการุโยคก็ถ้าเมื่อไหร่บังคับกายบังคับใจเมื่อนั้นอัตตากิลมัณฑานุโยคคนทั่วไปซึ่งไม่เคยภาวนาเนี่ยจะสุดต่งไปในการมสุขาริการิโยคพวกที่ไม่เคยภาวนานะจะเตลิดไปด้านนี้เลย พวกนี้จะจมลงมีจมลงสู่อาบายส่วนนักปฏิบัติเนี่ยชอบบังคับกายบังคับใจนะคิดถึงการเดินจงกรมนะก็ต้องรีบตั้งท่าเดินถามว่าตอนท่าเดินจงกรมอะ่ะเดินตามธรรมชาติไหมไม่แล้วบังคับตัวเองนะบังคับกายบังคับกายแล้วเริ่มตั้งแต่ <c oughs> เข้าที่ก่อนนะถัดจากนั้นบังคับใจเนี่ยบังคับได้ที่แล้วค่อยเดินเนี่ยบังคับเรียบร้อยแล้วทั้งกายทั้งใจ เวลาที่เราจะนั่งสมาธิเริ่มต้นบังคับกายก่อนช่องนี้เสร็จแล้วก็บังคับใจต่อดัดแปลงใจสุดท้ายก็คือไม่บังคับกายก็บังคับใจถ้าทําได้ที่ก็บังคับทั้งกายทั้งใจแต่การปฏิบัติแบบไม่บังคับกายบังคับใจทํำยังไง ร, รู้สึกลงไปนั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่หายใจอยู่รู้ว่าหายใจอยู่ตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะพอดีพระพุทธเจ้าสอนดูกราภิกษุทั้งหลายนะ เมื่อเดินอยู่ให้รู้ว่าเดินอยู่เห็ Bel นไหมไม่ใช่ว่าดูกุรภพิสูททั้งหลายเวลาเดินต้องทําท <cart> ่าอย่างนี้ไม่เคยพูดเลยนะดูกุรภพิสูททั้งหลายท่านสอนดูกรรภพิสูททั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคะเห็นไหมง่ายๆมีราคารู้ว่ามีราคะเนี่ยทางสายกลางท่านไม่เคยสอนนะดูกรรภพิสูททั้งหลายห้ามมีราคะห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ ดูพระที่สูตรทั้งหลายมีราคาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เบื่อพีเองไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้านั้นถ้าเมื่อไหร่รู้ได้นะรู้นั่นแหละกลางถ้าเกินจากรู้ไม่กลางหรอกคําว่าพิจารณาก็เหมือนกันะเราต้องแยกให้ดีคําว่าพิจารณาพิจารณาในขั้นต้นอาจจะคิดพิจารณาเวลาคิดพิจารณาต้อใช้คําว่าคิดพิจารณานะถ้าคําว่าพิจารณาแท้ๆคาว่าวิจารณ์ วิจารณก็ ค, คือการที่จิตมันเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์นั้นไม่หนีไปที่อื่นนะงั้นมันภาษาไทยเราไปแปลแลนะ้วมันคลาดเคลื่อนจากสภาวะค่ะต้องขอบพระคุณมากก็พอสมควรแก่เวลานะคะเดี๋ยวจะมีการถวายสังฆทานค่ะเอาถวายทานก็แล้วกันเนาะถวายสังฆทานเดี๋ยวต้องไปอุปโภคอีกถวายสังฆทานก็มีกล่าวคําสักหน่อยนะคะกล่วกล่า ว, าวแต่ว่า คืออย่าบอกว่าถวายส่งนะเออาถวายหลวงพ่อประโมเออแล้วถวายเสร็จแล้วหลวงพ่อขอยกทั้งหมดให้โรงพยาบาลนี้นะถ้าถวายส่งอหลวงพ่อต้องไปทําพิธีกรรมก่อนแล้วไปอัประโลกอัประโลกพูดพูดภาษาไทยเลยดีภาษาไทยรู้เรื่องดีนะฮะก็ขอให้ทุกคนน้อมจิตน้อมใจเป็นกุศลนะคะ เราทานทั้งหลายที่ทุกคนถวายมาแล้วน้อมวันนี้ก็ถวายแด่เป็นทานแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อปรามโมทปรามโมชโชใช้ตามอัธยาใัยนะเจ้าค่ะค่ะมโมทนารนาะยาถาวาริวหาปุราปริปูรเรนตีสาครังเอวามวาอิตโตทินังเตตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังจุมหังจิ ป, ปมวาสมิชตุ สัพเพปูเรนตุสังกป า, าจันโทปนารโสยถ า, ามณีโชติราโสยถ า, าสัพีติโยวิปัชันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตปันตรายโยสุชีตีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังุทธาปจายิโนจตตาโรธรมาวัฏทันตีอายุวันโนสุขขังภะลัง นะเครื่องปัจจัยใยทานหลวงพ่อมอบให้โรงพยาบาลตำรวจมานะโมทนานะหลโมทนากับทุกคนได้ทำทานได้ถือศีลได้ฟังธรรมแล้วเอาไปปฏิบัตินะง่ายสุดๆแล้วนะสอนใครรู้ทันรู้ทันของตัวเองรู้ทันใจของตัวเองไปนะยังไม่เข้าใจไปฟังซีดีนะไปฟังซีดี